ทั้งทางต่ออีก <c oughs> หลังจากที่เราได้สาธยายพระสูตรอันเป็นคำสอนของพระเจ้ารู้สึกเพะละลมากลึกซึ่งยอดเยี่ยม มีใครที่ไหนศาสนาองค์ใดที่ได้จะแสดงถึงขนาดนี้เราก็ถือว่าพวกเรามาถูกที่ถูกทางแล้วด่านใช้ชีวิตของพวกเราที่อยู่ร่วมกันที่นี่ถูกทางแล้วไม่ผิด เดินทางถูกทางเหยียบเช้นทางถูกก็ย่อมถึงจุดหมายปลายทางได้โดยเพราะการเจริญสติคือทั้งหมดคือทั้งหมดของชีวิตทั้งหมดของความถูกต้องรวมลงอยู่ที่มีสติสตินี่ ทป็ทไม่ประมาทเหมือนลอยเท่าของช้างใหญ่กว่ารอยเท่าของสัตว์ทั้งหลายลอยเท่าของสัตว์ทั้งหลา ย, ล ย, าลายมารวมลงอยู่ที่ลอยเท่าของช้างได้มีสติก็เลิกความชัว่วมีสติก็ทําความดีมีสติกิจบริสุทธิ์มีสติก็มีศีล สมาธิปัญญามีสินสมาธิปัญญาก็ล้ายิเลส ท, ที่ถึงทําไมเศร้าหมองตามของกำลังของสินเป็นสินอันยิง่งสมาธิอันยิง่งปัญญาอันยิง่งเป็นศินที่ขันสมาธิขันปัญญาที่ขันต่อกันไปมีสินก็ไม่ กายไม่ได้ทำชั่ววาจาไม่ได้พูดชั่วใจไม่ได้คิดชั่วก็มีเท่านี้ชีวิตเราสเสมือนจุดบ้างไฟหม้านี่ไปดูบ้างไฟแถวเขือนปองนี่ไม่อยู่ทั่วไปเขาแช่งบ้างไฟกัน เห็นไหมเห็นเขาแจงบัางไฟไหมจุดบ้างไฟมันก็มีการเริ่มต้นชาติอาวันชาติมันก็ขึ้นจากล้านมันวเป่อเนื่องกันไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปผลหลังของการไปมันก็สนับสนุนไป น้ำหนักเป็นหมื่นก็ขึ้นได้เมื่อถึงจุดหมายปลายทางมันทิ้งควัน้วบ้างไปที่ทิ้งควันไม่มีควันไม่มีควมดันมันส่งมันแรงส่งนั้นก็ไปขวางอยู่บนอากาศเทบจะมองไม่เห็น มันไม่มันไม่มันไม่เหมือนกับมันขึ้นเมื่อเหมือนทิ้งควันแล้วมันขวางนั้นขวางก็ลอยลอมอยู่มันลงยากเพราะข้างบนมันอากาศมันเบาแล้วอวกาศไม่มีอากาศแล้วมันเบาแล้วน้าหนักไม่มีแล้วมันขวางอยู่ลอยอยู่เร่งคว้างอยู่ เดียงหน้าเดียงหลังแต่ไม่ลงเพราะมาไปเมื่อมันไม่มี <c oughs> ดิน <c oughs> ดินมือ <c oughs> ดินไฟแล้ว <c oughs> มันไม่มีน้ำหนักระหว่างหางระหว่างหัวมันเสมอกัน <c oughs> ไม่มีน้ำหนัก <c oughs> ไม่หนักทางโน้น <c oughs> ไม่หนักทางนี้ก็ขวง เงื่อขวงมันขวงนักดลานนันานานค้างอยู่บนอากาศแล้วก็นับแต่ลานับนาทีลงยากก็แข่งขันกันได้รางวัลที่หนึ่งถ้ามันขวงได้แล้วโบผีมือของช่างบ้างไปเขารู้จักเหตุที่ฉั น, ฉนบสนุนน่นเป็นยังไง แข่งขันกันได้รางวัลมาทีช่วงมงนานกว่าคนอื่นบางทีคนอื่นไปไปไม่ไปแบบนั้นไปก็ไปไม่ขึ้นตรงไปขวง่ขวงๆสี่สิบองศาสี่ห้าหกสิบองศามันก็ไปแบบนั้นก็ลงแบบนั้นมันก็ไปแบบนี้มันก็ไม่ไม่นาน การเจริญปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันระวหว่างมรรคที่เราสาธยายนั่นแะตั้งแต่เริ่มต้นนวนันสนดสนนจนถึงสัมมาสมาธิทิ้งหมดเลยเบา่เราสุขละทุกข์เสียดายไม่มีอะไรทิ้งหมดเราก็ขวงแลววงไป มันก็ไม่มีอะไรเลยพูดว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนี่คือจุดหมายป่าทางของชีวิตเรียกว่าได้ชีวิตไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอรมันก็เห็นอยู่เนี่ยเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นทุกอย่างที่มัน เกิดขึ้นกับกายกับใจกับกรูปกวานามเนอย่าเห็นทุกอย่างไม่มีอะไรหลบรลีปิดบังอำพรางแสดงให้เห็นหมดมีอะไรสแสดงออกมามีสติเห็นเห็นไม่เป็นเข้าไปันก็ผ่านไปแรงทสนับสนุนไปเราจำเป็นยึงต้องฝึกหัดจะต้องมีกรรมฐานเป็นที่ตั้ง แล้วมันมีที่ตั้งมันก็ไม่มียวกาดไปทางไหนได้จุดไม่มีจุดยืนจุดไปเข่งควางอยู่ไม่ได้ต้องตั้งเหมือกับตั้งหน้าไปทางไหนก็ไปทางนั้นสติเหมือนหน้านาไปต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันไม่เป็นปัจจุบัน ถ้าไม่มีสติมันจะไม่เป็นมันจะถ้าไม่มีสติจะเป็นอดีตเป็นนาคตไปอดีตนาคตมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เราก็ฟรีชีวิตเราก็ฟรีไม่ได้ประโยชน์จากการมีชีวิตเลยมันไปข้างหน้ามันคืนข้างหลังคนหนุ่มคิดไปข้างหน้าคนฉลาคิดคืนข้างหลังเบรานนันว่า แต่ปัจจุบันทิ้งกันหมดตําไรไม่ได้แท น, นที่จะมีการเริ่มต้นซะมันไม่เริ่มต้นชักตีอะไรกม็มันเก่ายิ่งพ่อปูนแววเก่าวสมหลงก็หลงอยู่เช่นนั้นความทุกข์ก็ทุกข์อยู่เช้นนั้นความโกรธก็โกรธอยู่เช้นนั้นความเจ็บความแย่ความเจ็บควาต า, ายก็ย่อำยีอยู่เช่นนั้นลบไม่มีการเริ่มต้น เราจะมาประกันนชอบที่สุดก่อนใช้ชีวิตแบบกรรมฐานเนเป็นชีวิตกรรมฐานร่วนล้วนเลยเรียกว่าสติร่วนล้ว น, วนผู้เจริญสติรุ่นล้ว น, วนเรียกว่าสุขวิปัสสโก พระลหันเป็นสุขวิปัสสโกผู้เจริญสติล้วนๆไม่ได้เล่าเรียนอะไรไม่แตกฉานอภิสัมไปทาอะไรภาษาไม่ต้องจำเป็นก็ได้ถ้ามันขวางแล้วไม่ลงแล้วทิ้งควรแล้วละสุขละทุกข์เสียได้มีสติแล้วเราอยู่มีสติแล้ ว, ลวอ ย, ววอยู่นั่นแหละใครก็ถึงที่นั่น ไปถึงที่เดียวกันเท่นั้นไปเช่นเดียวกันเท่านั้นไปคนเดียวทท่นั้นเอาใครไปด้วยมาได้ต้องตัวใครตัวมันอย่างนน้จึงต้องเมงงานแบบนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาของเราที่ว่าสมถวิปัญนาที่ว่ากรรมฐานไม่ปัญนาแล้วฝึกอยู่นี่เป็นทั้งหมด สมุทタและวิปัสสนาสมุทタคือบรรมอันเดียวเป็นเอตตะทะมีสติไม่ใช่สมุทタแบบไม่รู้อะไรนะสมาธิมันรู้มันตั้งสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาสัมมาสมาธิเนี่ยไม่ใช่นั่งหลับต า, ม, ามันรู้รอบรู้รอบรอบจึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้ารู้ถ้าไม่รู้อะไร มันไม่ใช่สมมาิสมาธิบาว่น น, นอนหลับก้อนอิด ก, ก้อนเห็นนั้นไม่มีประโยชน์เราจึงมาลู่รอบลอกทําไงจึงจะรู้ก็ไม่ยากทําได้ทุกชีวิตเพื่อการนี้จริงๆริงชีวิตเราจะเป็นเรื่องกายเรื่องใจเพื่อให้มีความรู้เท่านั้นไม่ใช่ถ้าไปเชิด อย่างอื่นก็ผิดไปเราจะมาใช้ให้มันผิดความลูก อ, อกว่าจะเป็นลหมหายใจก็คือความรู้ไม่ต้องว่าสติก็ได้รู้สึกการเคลื่อนไหวก็รู้สึกตาเห็นลูกก็รู้สึกจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจีใจชิดเนก้อม่แต่รู้สึกไม่มีอะไรตาเต็มตัว ไม่ใช่ตาสองตาตาเต็มตัวผู้มีจิตเป็นหน้าโลกนี่ว่าขีณาสกขขีณาสกคือพระละหันเขาไม่เอาเพศเอาวัยเอาเครื่องหมายเอารถที่นิกายมามามาเรียกกันหน้าโลกมีสติเป็นหน้าโลกนี่คือ ชีวิตของเราเราจึงต้องพากันฝึกหัดตัวไขรตัวมันแล้วก็จัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอิสระแล้วก็มีอาสาสมัครผู้เสียสละช่วยเราลงทานอะไรต่างๆเรื่องความอยู่พออยู่กันได้ไม่ผืดเกืองเกินไปไม่พุ่งป่วยเกินไปไ แล้วก็มีเพื่อนมีมิตรอุ่นใจอาจารย์นั่นอยู่หลังที่นั่นหลวงพ่อองค์นั่นอยู่ที่นั่นหลวงพี่ อ, องค์นั่นอยู่ที่นั่นแม่ชีคนนั่นอยู่ที่นั่นบาศกคนนั่นอยู่ที่นั่นบาชิกาคนนั่นอยู่ที่นั่นไม่เปรี่ยวเหนียวดายแล้วก็ไม่ใช่เรามาอยู่แค่นี้เราจะดูดูแลกันถึงถึงสุดขวามสามารถของเรา เก็บไข้ได้ป่วยไม่สะดวกกันใดอาจจะนอดก็บอกเขียนเขียนหลายการมาให้แล้วเดือดร้อนหลายบอกเก็บไค้ได้ป่วยบอกประเทศไทยมีโรงพยาบาลมีหมอมอีอยู่มียาแต่ต้องอาศัยตัวเราให้ให้ดีๆ อย่าใช้ชีวิตผิดพลาดทางกายทาง จ, จิตใจอย่าใช่ผิดก็กระทบ ก, กระทือนตัวเองอารมณ์สำคัญที่มันมาเกิดกับใจอาการที่เกิดกับกายก็สำคัญโดยจัดใช้ชีวิตพอเหมาะพอสม บักผ่อนหลับนอนให้เพียงพอกินอาหารให้เพียงพอนอนให้หลับอย่าหาเรื่องหมาคิดอาศัยนิเวศช้างเชิงพุทธอยู่ในนิเวศแบบเผ่าพุทธจะลิกอยู่คนเดียวหุกหัดตัวคนเดียวแช่ไขตัวคนเดียวให้พึ่งตัวเองมากที่สุด อะไรที่มัน เ, เป็นพิษเป็นภัยยาเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องกาย <ใน S 1> เรื่อง จ, จิตใจแห้่แต่ความคิ ด, คดมันก็อยากทําให้เจ็บปวดได้น่าใช่ไหมเป็นใช่ความคิดใช่จิตใจไม่เป็นใช่ให้ทิ่มแทงตัวเองเป็นศอนเป็น ฮิตเป็นไัยอย่าไปใช้อาจจะเป็นความยิดถือนิกถึงพุทธานุสติ <c oughs> ไม่อดไม่อยากน <c oughs> ิดถึงคำสอนพระเจ้ามีโยยะพุทธานุสติธรรมานุสติคิดถึงทานทั้งศีลของตนคิดถึงกุศลคิดถึงความดี สังขานุษีคิดถึงข้อปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรเอามาไหวไหนเราเด็กถ้าจะคิดนะอย่าไปคิดถึงอะไรที่มันเหลวไหลหัดใช่กิจให้เปนคิดถูกต้องให้ใช่หัดใช่กายให้ใช้ชีวิตถูกต้อง ในแต่คำพูดก็หัดใช้ปิยะวาจารูจาที่บั ด, ดีอยางที่เราสาียพระสูตในมรรคของแปดเช่นทางทั้งแปดอย่างมารวมกันเข้าเป็นบ้างไปขึ้นสัวาากาดหวงอ า, ากาศทิ้งควรเลยอ่านเลยว่าสำเร็จบ้างไปทิ้งควร ควรเอาทิ้งไว้ไกลไกลนูน่นแต่ไปเห็นบ้างไปอยู่โ น, โน่นสูงสูงมองไม่เห็นถ้ามองเห็นควรไม่เห็นนี่ไหลแต่มองไปอีกมันจะเห็นม้างไปอยู่วงอากาศจยูนมันทิ้งควรไปแล้วไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ต, ต, ตั้งแต่เก้าแรกไปไปไอ้สติ หวงผมพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้นี่เราก็เลยทำงา น, นันี้อยู่มีนะมีงานทำนะนแล้วมันหลงเห็นมันหลงก็มารู้งานของเราทำาต๊ดเออย่าไปใช้ชีวิตฟรีๆนั่งเฉยๆเต้นทุกบ์ดูชั่วโมงนองหลงจะเป็นส่วนใหญ่ รู้ด้วยด้อยนั่งสร้างจังววาอยู่เป็นชั่วโมงหนึ่งแทนที่จะรู้ชักสามพันหกร้อยรู้มันก็ได้รู้แท่ร้อยสองร้อยมันไม่สมดุลกันน้าน้อยย่อมแพร่ปล่อยก็ดับป่ยไม่ได้จึงเอาให้มากพยามปาวิตาเผ่าดีกตาสังวัตตันติ ภาวนาคือเจริญให้มากลู่ให้มากเอากายมาเป็นเครื่องวัตถุอุปกรณ์ผิดให้มันลู่ขึ้นมาภาวนาเนี่ยไม่ใช่ไปบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธสัมมาหังสัมมาหลังภาสาโดกเขี้ยวลงคนทองไม่ได้ภาวนาขยันให้มันลู่พละขยันตัวแน่ไม่ใช่จะเงื่อไหลใครย้ยอย นอนอยู่ก็ขยันลูกตื่นขึ้นมาขยันลูกปั๊บตื่นตอนเช้าไม่ก้าหลังยามมโบรานท่านว่าก้าหลังยามตัวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาพร้อมกับปพุ๊บปฐมพระสงฆ์สินทานธรรมามรรคผลนิพพานอย่าตื่นขึ้นมาแล้วไปอารมข้างอะไรออกหน้า ยึตั้งลูกถั้งหลานห่วงโน่นห่วงนี้ไม่ใช่เตือนเช่าเก้าหลังยามไม่ใช่ประยามเบ็ดยามซ่อนยามใส่ยามสินยามทานเป็นอาหารใจของเราอย่าให้ขาดแคลนอาหารเรื่องนี้ อาหารกายอาหารใจก็มีเดี๋ยวนี้เราทิ้งอาหารกายไม่ห่วงไม่กลัวตายแล้วแต่จะได้กินอะไรสูตายไม่ต้องไปหาพราะที่เช่าทำไปในนี้ออกบวช จ, จากเรือนไม่เจียวหล้องโดยเรือนแล้วไม่เจียวหล้องแล้ว เน้วแต่เขาจะให้กินอะไรให้อยู่ยังไงก็พออยู่กันได้แต่อาภพปนหนึ่งที่นี่อาศสยลำแข่งไม่ได้เท่าที่ควรหลงต่อประอยหอดใหญ่เป็นท่าบาทรูปหนึ่งได้ไดเลี้ยงได้ทั้งสิบคนครบหมดทุกอย่างตั้ง พายมาทั้งหิ้วมาทั้งถือมาบางทีก็รถมาส่งไม่มีถือไม่ไหวก็วเขาก็รับมาส่งให้ทีนี่เราจำเป็นต้องมีโรงทา้า ก, ก็ก็ชอบแบบนี้อย่าไปหวังอะไรให้มากเกิดมาแบบนี้ สมัยอยู่กับหลวงปู่เทียนเนี่ยน้ำพริกตั้งเอาน้าไหนกาโอน ล, ลงไปเรื่อยๆถ้าไม่มันหมดแล้วก็น้ำปลาก็ทำเอาไม่มีเงินซื้อทำเอาไปเรียนมาจากฝั่งเรา เอาต้มน้ำเกลือน้ำครึ่งปิ๊บอยากได้สูตรได้ไหมเออเอาน้ำใส่ปิ๊บครึ่งปิ๊บใส่เ ก, กลือสามถ้วยเกลไก่ต้มให้เดือดเดือดต้มน้ำเกลือให้เดือดพอน้ำเกลือเดือดแล้วก็เอา กระเทียมมาขาั่วทุบทุบขั้วสักสี่ห้าหัวใสใว่น้ำตาลทรายใส่กันขั่วน้ำตาลทรายเมื่อถูกพวยมันจะละลายเป็นน้ำทีแรกต้องคนให้ให้ให้ไว่ถ้าไม่คนเป็นแผ่นไปเลยคนให้มันไม่คนให้มันมันเป็นผงอย่าให้ไหมมากถ้าไหมมากมันดำ เอาพอเหลืองๆมันน้ำปลาเนี่ยน้ำเกลือมันเอาสีจากน้ำตาลนะนะแล้วก็ไปโปนใส่น้ำร้อนนั่นต้มใส่กันอกีกนอะแล้วก็มันเดือดแล้วปองไว้แล้วก็ผ้าคลองใส่ขวดแต่ว่าต้องแช่านานไม่ได้ จะทำมากว่าเดือนหนึ่งให้หมดเนี่ยพอได้อยู่ถ้าเกินนั่นจะเน่าอ่าอย่างหนึ่งก็เอาบกระท้อนใบใบใบใบใบใบไม่ใช่กระท้อนใบสาธรยอดสาธรก็เลียนจากพวกอ่าอ่อำเภอ อะไรทาลี่เหรียญจากท่าลี่แถเวเมืองลาวเหมือนกันทนะ่าลี่กับเมืงลาวอันเดียวกันแน้ำหข็งขวงกันไม่ใช่น้ำโขงแต่อันนั้นว่าเจนเท่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่มีผู้ชายไปตายหมดในสงคราม เราเรียกว่าแ่นเท่าไว้สาโทษไวออด ม, มาดองเชี่บเหมือนกันการทำจินถึงถ้ามาไปเนี่ยสมัยก่อนที่นี่ก็มีทำจินเหมือนกันสมัยอยู่ใหม่ไม่มีเงินซื้อถ้าไปตลาดก้าวดก็ซื้อมาทิละกวดสภพายย่มขึ้นมานีนปลากวดเดียวก็อุ่นใจ มันก็ยังไม่ตายเนาะ <laughs> อย่าไปกลัวอะไรก็อย่าไปกลัวถือว่าเป็นการฝึกตัวเองแม่อะไรที่เกิดกับกายกับใจก็อย่าไปวิตกกังวล ม, มากนะัก เห็นของจริงของทีง่จริ ง, รงเห็นของจริงของเท็จแล้ก็มีอารมณ์กรรมาฐานเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเมื่อเห็นรูปเป็นนามจะไม่มีตัวไม่ตนเห็นสุขเห็นทุกข์เป็นอาการของรูปของนามเมื่อกิดทุกข์เกิดเทือน ถ้าเห็นเป็นกายเป็นใจใจะมีผลกระทุบหนักหน่อยถ้าเห็นรูปเป็นน้ำจะเบาๆเป็นอาการความร้อนเป็นอาการไม่เรียกว่าความร้อนความหนาวเป็นอาการไม่เรียกว่าความหนาวความหิวเป็นอาการไม่เรียกว่าความหิวก็ได้รวามสุขความทุกข์ไม่ต้องเรียกก็ได้ แล้วก็เบาเมื่อเห็นงูจงอียงเรียกเปนว่างูสิงเราเรียกโดยเฉถ้างูจงอีางชูคอใส่มีไหมเห็นไหมไอ้ขีมีอย่านี้เขีไม่ขีเนี่ยมีนะจงอียงถ้าเห็นจงอียงชูคอใส่เอ้ยงูสิงงูสิงเลยเนี่ย มันก็มุบลงจ่อยไปเลยนะถ้าเรียกว่าวงอางมันก็ริ้งใหญ่ลองดูนะจะเทจริงยังไงถ้าเห็นความกวโกรดน้อยอาการเท่านั้นแหลกนิดหน่อยมันไม่มีพิษมีภยัยเหตความทุกข์เป็นอาการไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกถ้าเห็นรูปธรรมนามธรร แมนรูปมันทํานามมันทํามีแต่รูปทํามันนามทำเล่านั้นชีวิตเนี่ยเอารูปไปทําำอลายก็ได้อย่างนั้นเอามาประเมเอก็ได้กุศุนเอามากรรมกรรมปั้นไปฆ่าไปตีก็ได้อุคุสนมันตั้งต้นจากที่นี้ที่ว่ารูปทำนามทำแต่เป็นบุญเป็นบาปก็เกิดขึ้นจากรูปทำนามทำ มีสติเป็นเจ้าของใช่มันเป็นทำดีหรืว่ารูปมันทำดีนามมันทำดีถ้าขาดสติรูปมันทำชั่วนามมันทำชั่วแล้วก็มีผลด่างกันไปเราจึงหัดตนสอนตนเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นมันจะเปิดเผยเห็นรูปทุกเห็นนามทุกมันมี มันเป็นก้อนทุกข์อันหนึ่งหน้าสงสารหนาวสงสารรูปเนี่ยไม่เคยช่วยตัวเองสักทีปล่อยให้รูปเป็นทุกข์ปล่อยน้าเป็นทุกข์กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวพอมาเห็นรูปทําน้าทําเห็นรูปทุกข์ดําทุกข์เนี่ยมันกระตือรือล้นมากมันช่วยขยันที่สุดช่วยรูปช่วยน้าออกจากทุกข์เนี่ย ขอให้มีมามันไม่ยอมเหมือนน้ำมันกับน้ำธรรมดามันไปเข้ากันหมน้ำมันต้องลอยอยู่เหนือน้ ำ, สำเสมอจะให้น้ำมันลงไปปนกับน้ำมันเป็นไปไม่ได้อันเรามาเห็นรูปทำน้ำทับรูปทุกตามทุกเนี่ยมันไม่ยอมหนอกมันใครเหยือใครยื่อช่วย รูปช่วยน้อมให้มีทุกข์เป็นชีพเป็นชีวิตจิตใจนิดหน่อยไม่เอานิดหน่อยไม่เอาถ้าเห็นรูปทุกข์น้ำทุกข์เราก็ตื่นหรือล่นมากจะมีมาเท่าไหร่เปลียนหมดมน้ำทุกข์น่ะนิดหน่อยไม่ได้เห็นรูป นามเนี่ยเป็นรูปสมมุตินามสมมุตินอกจากรูปเป็นสมมุตินามเป็นสมมุติแล้วยังมีอีกที่เกิดสมมุติออกไป อ, อีกเต็มโลกอ น, นั้นก็สมมุตินี่ก็สมมุติเต็มโลกไปเลยแล้วหลงสมมุติแล้วหลงมันยัด แล้วก็สมมุติเอาบัญญัติเอาโดยเป็นรถของโลกพอเห็นสมมุติแล้วจืดเลยรถของโลกเนะี่ยจืดเลยแต่ก่อนเรียนเศรษศาสตรจืดหดเลยเสรากตรเห็นสมมติเห็นบัญญัติเห็นปรัมมัสของจริงคือปรัตมั เราจะไปว่าเอามันไม่ใช่ต้องทำเอาปรมาตัตถ์คือของจริงการถากันมีเกินปืนการถาไล่ผีจืดหมดเลยแต่ก่อนเป็นหมอเราเรียนให้ครบก็เรียนไม่ครบเป็นหมอไปได้หมอใช่ไหมก่อนก็หมอก็ท ำ, ทำารรมะกันนะไป ลักสาวคนป่วยถ้าเราดีกว่าเขาก็อิจฉาเราเราต้องอะไรกันต้องเรียนกันื <c oughs> คอครูอาจารย์สองนั้นถ้าเรียนจะเรียนให้หมดต่อมาเห็นสมมุติเห็นบรญยาตาะเจืดหมดเลยมันไม่จริงบรัรมัติ์มันจริงกว่าชีวิตต้องทำจริงทำถูกต้องสมมติไม่สมมติใช่กันเฉย นอกจากในสมมุติในนา ม, มาธรรมสมมุติในรู ป, ปรธรรมก็มีเต็มโลกนา ม, มาธรรมสมมตเิเรารู ป, ปรธรรมสมมุตเิเราเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดเราชอบอะไรเราเกลียดอะไรสมมุติทั้งนั้นเกิดเลยวันเห็นสมมุติตัวเห็นใจรักยอดเยี่ยมเลย นี่เป็นอารมณ์กรรมฐานอะไรมาเกิดตรงไหนศีลเวนสมาธิปัญญาช่วยช่วยไม่ใช่ศีลรับจา้าศีลมาช่วยอะไรไม่ปกติศีลทำให้ปกติสมาธิช่วยอะไรที่มันไม่ไม่มันไม่ไมันมันไหว สิ่งจะทำไม่หนักแ น, น่นอะไรอารมณ์นี้เกิดขึ้นหนอพผิวไปไหนหนักแ น, น่นกันวาไม่ใช่บนี่ปัญญาโลภรู้ผิดที่เป็นถูกทุกเป็นไม่ทุกหลงเป็นไม่หลงโกรธเป็นไม่โกรธสุดท้ายคือปัญญาวงเล็บปิดไม่มีถ้าตรงไหนขาดปัญญาแล้วไม่ใช่อิสว์ อย่างที่เราสาธยายพระสูตรมักรสองแปดสองมาสมาธิปิดวงเล้เปิดวงล็ปิดสุดท้ายคือปัญญาอัญญาโลภุกองสังขารไม่ใช่โลกนอกโลกไปโลไในกองสังขารอรสังขารจิตตสังขารเนี่ยอย่าไปเห็นด้นอื่นบางคนปฏิบัติไปเห็นอ้นอื่น อย่าไปหลงในมิตบ้างในมิตทางตาทางหูบ้างอย่าไปเชื่อโตจริงๆคือสติเนี่ยอย่าหลงบางทีมีรสชาติสุขก็มีรสชาติทุกข์ก็มีรสชาติอย่าไปหลงไม่มีสติเลื่อยไปมาเกิดขึ้นได้กับพระโยคาวจรู้ปฏิบัติธรรม ปิติโลดผ ล, ผลน่งองยวงเนี่ยบางทีทกระดานเหมือนกับเราตัวเรามุดลงไปในกระดานดูกระดานมันเพียงตาเราเนี่ยไอเรามันน้ำหนักทางเนี่ลอยขึ้นนิดสักหน่อยลอยขึ้นไปกระดานลิฟต์อยู่ดูนตกใจสูงขึิ น, นไปเอาลงไปสักหน่อยมันจะหลงอย่าไปหลง บังทีตัวลอยตัวเบาเดินไม่เหมือนกับใเหยับแผ่นดินเลยบางทีก็ยหยับไปโยงปิติมันเป็นไปได้ปัดสัทธิมันสง บ, ส, งบสุสขเพรายากไปหลงนะไปดูพระรูปหนึ่งตกหน้าผาแล้วหวาหน้าผากับศกที่ตกลงมามัน มันไม่ใช่อะไรมันก็ไม่ไกลกันถ้าเลีงตามลูกดิง่งประมาณชักสองสามเมตรอย่างมากถ้าเอาดิ่งลงมาจากหน้าผาถึงศพมันก็ศบก็อยู่แค่เนียแล้วก็พิสูจน์ดูว่าหนึ่งอาจจะไม่ใช่ควานม่วงแต่นั่งสมาธิที่นั่น ถ้าว่าหน้าผาตรงนี้กับเมีหน้าผาอีกรูปหนึ่งมั น, ม, นมันไม่ไกลกันสองเราจ ะ, จะแต่โลกเนี้ยบอกได้บอกหให้เขาเอาจจะเข า, เาไปจับโยนหน้าผามัดโดนหน้าผาอีกอันหนึง่งไปนั่งสมาธิอาจจะเป็นนิมิตตัวเบาเอาจจะคิดว่าตัวเองจะลอยไป ก็กระโดดหน้าผาลูกนี่จะไปหน้าผาลูกนั่นลองดูชิมันทําน่าจะลอยได้มันเบาไปหมดเลยอะไรก็เบาไปหมดเลยอาจจะลอยไปตรงดูโอ้กระโดดอกกบที่ก็าตกลงตายังเกตีดดูนะอย่าขอานสารนะตอนนั้นไปแสดงธรรมงานกระถิน อ้าม่านปากช่องอ้าม่านปากช่องเนะี่ยแล้วเขาเลยหมดอีกงานหนึ่งต่อต้องอยู่อาทิตย์หนึง่งไม่กลับบังเลยแล้วเขาจะให้พักที่วัดไม่อยากพักที่วัดอาหาพักที่ถ้าาำใหม่ๆแถวในี้ำใหม่ๆมีจะอยู่ไม่ได้เขาพูดเจ้าหน่อยเนาะ อยู่ไม่ได้ไม่มีเจ้าของกลางคืนมีแต่เสียงคลองเสียงกองดังมันอยู่ไม่ได้ชาวไร่ที่นั่นจะเอาจบเอาเสียงก็เลื่อยไปฝากไว้ไปฝากไว้ถ้าไม่เสียหายเพราะมีเจ้าเฝอให้กลางคืนเดียงเหมือนเสียงคลองเสียงคลองสียงองกึ่งกังกึ่งกั่งกัึ่งกเหมือนมีงานไปเยืนพังข้างนอกก็ได้เย็น ว, ว่าอยู่ไม่ได้เจ้าตามเจ้าเพราว่าดีจะได้หลงต่อเนี่ยเป็นเพื่อนเกวอบเจ้าไม่ทะเลาะกัน อ, อยู่ด้วยกันได้เราไม่อยากไปไปส่งแต่มันไกลบ้านหน่อยนงแต่มีสวนกล้วยอยู่ที่นั่นเอาเลยไ ป, ไปให้โยมพาไปไปขอกินกล้วยสเก็ตวันจะได้ไหมไม่ต้องกินข้าว แต่เมื่อก่อนก็กําลังโล่นวิชากรรมฐ า, าน <laughs> ไม่กลัวต่ออ <laughs> ต้องกินกล้วยนะไมต้องกินข้าวนะขอกินกล้วยเจ็ดวันน่ะจะได้ไห ม, ไมโยมไปส่งโยมไปส่งก็ไปบอกเจ้าของสวนขอกล้วยวันลาวีได้เออมากกว่านั้นก็ได้ไม่กินข้าวนะห้ามเอาข้าวไปให้นะขอกล้วยวันลาวีลรา เออว่ากว่าได้ได้แลบเไปส่งแล้วก็กลั ว, วจะมีอันตรายเขาก็ห้ามกันไม่เป็นไรเออปล่อยเขาไปส่งหน้าถ้ำขึ้นไปนอหนห่ังมีเตียงอยู่หน้าถ้ำพอนอนได้มีหนมผามีองูน้ําอยู่ที่นั่นกินได้หนมผารู้จักไหมหนมผา นมผาเนเหมือนเหมือนกับสนามแม่เหล็กหน้า ม, มันไหลลงจากโขดหินสราแม่เหล็กผ่านลงมามาย่อยลองผาย่อยปอกปกเอาองค์ไว้ตั้งไว้สวยอ็เลยไปนอนที่นั่นแล้วมีข้างขา่าจะนอนในถ้ำไม่ได้มันเหม็นนอนปากถ้ำไม่เอาเตียงมาหลองนอน กลางมุ่งกอดเตียงในวีกลางมุ่งนอนข้ามมาเสียงดังเกิงๆหน่อยีวิตขึ่อนคำเขื่อนคฟังดูแล้วเหมือนเสียงคลองเสียงก้องเขื่อเข่อเขื่อนเข่อเขื่ออ้ากันนี่เราจะเห็นเจ้าแน่นอนละแล้วก็นั่งในมุ่งนะนั่งมุ่งเดี๋ยวไปดูทาไปนอน มันก็ขึ้นขึ้นขึนขนอนฮืดอดังฟังไม่ฟังไม่ดีเหมือนเสียงห้องเสียงกรงถ้าฟังดีแล้วมันไม่ใช่ต้องเป็นเสียงสัตว์อันไหนอันนึ่งอยู่นี่เวลามันดังทีเี่ๆกังเข้าเป็นออกมาลมลมลม ล, ม ล, ม ล, มลมเอาไหมเท่านี้พอไหมที่จะต่อยอ <laughs> อแล้วก็นั่งอยู่มันก็มามาพอมาใกล้ๆมันเป็นหน้ามันเป็นพลานหน้าผามมงูใหญ่มันขึ้นไปหาจินข้างข่าวพววใหญ่นะพอมันเลื่อยขึ้นไปมันมันไปสสงมันหนับตกม้อมันก็คาด้วยงูใหญ่นะเมดัง ข้างขาบินก็ดังเขมกับกับััข้างขามันก็อนาอกเห็นงูใหญ่ขึ้นไปตกลงมเออข้างขาบินเออมันก็ดังเหมือนเสียงงเสียงกองที่จริงมันไม่ใช่นันเป็นงูหากินข้างขาตามซอกอนเห็นหน้าผาหาผาทำ แล้วก็มาใกล้ๆเราเตียงนั่นก็มาก็ลเลยตบมุ้งเข้ามุ้งเขาเราของเขฟัดตั้งูงใหญ่มันเห็นก็มันก็ชูคอขึ้นเรานั่งอยู่เตียงมันชูคอขึ้นยังสูงกว่าเรานะโอ้ดูมันก็หย่อยฮะให้เนะลยเหน่อยเตียง ก็ยังไม่คิดว่าอะไรจะทำลายเรามันมั่นใจที่สุดเลยวิชาล้วนวิชากรรมฐ า, านมากที่สุดไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยก็สนุกไปก็ด้วยแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยพอดีหลงตาก็นั่งอยู่มันก็ชูคอขึ้นนานก็มุดหัวลงไปเรื่อยมันกลับไปตลกึ่งกึงกงกึง ก็เห็นแล้เออนี่เจ้ารู้จากเจ้าแล้วนี่แหละเจ้าของเขาข ง, งูใหงายนี่ก็ได้นอนซะมัน <c oughs> ก็อยู่ด้านเจ็ดวันกินกล้วยนะไม่ตายนะกินกล้วยเจ็ดวั น, น <c oughs> อยู่ได้นะอันนี้ก็เราพูดเล่นเล่นบาๆสมองจะนอนสมควรเจอลญะกับพระองค์กัน